มันเระสิบท่านพูดเสมอว่าการอยู่คนเดียวมันสนุกประกอบความเพียรวันวันหนึ่งไม่พูดคุยกับใครเลยถ้าไม่กินข้าวกี่วันก็ไม่เห็นใครทั้งนั้นจึงไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยว ในวงความเพียรตลอดเว้นแต่เวลาหลับแต่บางทีกิเลส ก, ก็กล่อมเอาบ้างเหมือนกันว่าโธมาอยู่อย่างนี้เหมือนคนสิ้นท่าไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรเลยโลกสงสารเขาก็อยู่ได้สะดวกสบาย สนุกสนานไม่ต้องมารับความทุกข์ทรมานเหมือนเราซึ่งเปรียบเหมือนคนสิ้นท่านี้ทำไมจึงต้องมาทรมานอยู่ในป่าในรกกับสัตว์กับเสืออย่างนี้ไม่มีคุณค่าราคาอะไรด้วยความคิดเช่นนี้ทำให้ท่าน รู้สึกท้อถอยน้อยใจและอ่อนความเพียรลงไปบ้างเหมือนกันท่านเล่าว่ากิเลสมันมันคอยแอบกระซิบคอยสอดแทรกอยู่ตลอดทั้งทั้งที่ก็พยายามทำความเพียรอยู่เช่นนั้นดังนี้วันหนึ่ง ผมยังไม่ลืมผมไม่ได้ดูนาฬิกาเราก็นั่งภาวนาจะไปดูนาฬิกาอะไรมันดึกจริงๆนะวันนั้นจิตมันยังลงไม่ได้ก็พอดีเขามีลำกันทางภาคอีสานเขาเรียกลำลำยาวข้ามทุ่งนาไปจากบ้านนามน เขามาเที่ยวสาวทางบ้านนามนเขาอยู่บ้านพลทองด้านตะวันออกวัดบ้านนามน์นู้นนะ่ะเขาลำยาวไปตามทุ่งนาฟังอาการขอร้องเพลงเขาลำยาวเพลงภาคนี้จิตมันยังวิตกขึ้นมาได้ในขณะนั้นโอ้เขายังมีความสนุกสนาน รื่นเริงเดินขับลำมทำเพลงตัดทุ่งนาไปอย่างเพลิดเพลินไม่มีความทุกข์กายทรมานใจเหมือนเราไอเรานี้กำลังตกนรกทั้งเป็นไม่มีใครที่จะทุกข์ยิ่งกว่าเราคนในโลกนี้กำลังตกนรกทั้งเป็นอยู่เวลานี้ คำคิดดรุงดังกล่าวมีขึ้นขนาดได้ยินเสียงลำเพลงอยู่นั้นแต่แล้วท่านก็หัวนระลึกเป็นธรรมขึ้นมาแก่ว่าเราเคยตกนรกทั้งเป็นกับกิเลสตกนรกทั้งตายกับกิเลสมากี่กับกี่กันแล้วนี่จะตะเกียกตะกายตนให้พ้นจากนรกของกิเลสทำไม จึงเห็นว่าเป็นความทุกข์ความลำบากเราประกอบความเพียรหาอะไรหานรกอเวจีที่ไหนเวลานี้ท่านว่ามันคิดขึ้นปุ๊บแก้กันทันทีเลยจากนั้นไม่นานจิตก็สงบลงได้ หลงป่ามีอยู่คราวหนึ่งระหว่างที่ท่านพร้อมหมู่คณะกำลังเที่ยววิเวกหาสถานที่ภาวนาในป่าในภูอยู่นั้นเมื่อยิ่งเดินหน้าไปเรื่อยก็ยิ่งพลัดหลงทางไปเรื่อยยิ่งเข้าป่าลึกขึ้นลึกขึ้น จนไม่พบหมู่บ้านผู้คนเลยเหตุการณ์คราวนั้นท่านกล่าวว่ารอดมาได้ด้วยอำนาจของบุญของทางดังนี้ไปเที่ยวในภูเขาจากระหว่างสกุลนครกับกาลสินเข้าไปในเขาไปหลงป่าละซี เข้าเปหุบเขาเลยนะเขาไม่รู้กี่ลูกกี่ชั้นเข้าไปจมอยู่ในเขาเลยพอดีไปเจอพวกไปทาไร่อยู่ในเขามีสี่ห้าหลังคาเขาไปทำไร่อยู่ในหุบหลงเข้าไปตรงนั้นเขาจนงงเลยโหท่านมาได้ยังไงคือตอนกลางคืนนั้นมีนิมิตเสียก่อนนะ หลงป่าไปด้วยกันสามองค์ยังไม่ได้แยกจากกันตามธรรมดาออกจากวัดแล้วก็ไปทีละสององค์สามองค์แล้วก็ไปแยกกันข้างหน้าไปวันนั้นยังไม่ได้แยกเลยไปก็ไปหลงป่ากลางคืนงมเงาไปเอานอนในป่านี่แหละงมไปไหน แล้วตั้งสัจจะอธิษฐานนะจะออกทางภาวนาก็ได้ออกทางความฝันก็เอาแล้วบ้านอยู่ทางไหนมันหลงถนัดแล้วเข้าในหุบเขาบ้านอยู่ทางไหนให้ตั้งสัจจะอธิษฐานนะองค์นั้นก็ตั้งองค์นี้ก็ตั้งเราก็ตั้งตั้งสัจจะอธิษฐาน จะออกทางภาวนาก็ได้ออกทางไหนก็ได้พอดีกลางคืนมานิมิตแล้วทีนี้พอกลางคืนมาก็ฝันละที่นี่องค์นั้นก็ฝันองค์นี้ก็ฝันฝันด้วยกันทั้งสามองด้วยนะแปลกอยู่องค์หนึ่งฝันบ้านอยู่ทางไหนบ้านอยู่ทางนี้ ชี้ไปทางทิศใต้รู้ได้ยังไงว่าบ้านอยู่ทางนี้มีแต่ผู้หญิงหาบอะไรต่ออะไรหลังไหลผ่านมานี่ไปทางนี้แหละไปทางทิศใต้นี้แล้วองค์นี้ล่ะฝันว่ายังไงบ้านอยู่ทางทิศนี้อีกรู้ได้ยังไงมีแต่ผู้หญิง หาสิ่งหาของพรุงพาลังไปนี้แล้วว่าวันนี้เราจะพบผู้หญิงก่อนนะเอา้าอยู่ในกลางเขาจะพบผู้หญิงได้ยังไงหากจะพบก็เพราะความฝันบอกอย่างนั้นเราก็อีกเหมือนกันมูเพื่อนมาถามเราว่าเป็นยังไง บ้านอยู่ทางนี้จริงแต่ไม่ใช่บ้านนะเป็นทัพเขามาตั้งทับอยู่ทางด้านนี้เมื่อคืนเห็นโยมแม่มหามีเด็กสองสามคนติดตามโยมแม่มาโยมแม่มหามาถางนั้นถางนี้ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บแล้วก็พาเด็กขนของไปไปทางนี้แหละบ้านอยู่ทางนี้หรือ ทับอยู่ทางนี้แหละเอาไปทางนี้นั่นล่ละพอตื่นแล้วก็บุกตามทิดเลยไปอยู่ในหุบเขาลึกๆนะมีบ้านอยู่สี่หลังคาเรือนเขามาทำไร่อยู่ในหุบเขาไปเขางงเลยอ๊ย ท่านมาได้ยังไงนี่โถตายตายตายไปได้พบผู้หญิงก่อนจริงๆมีแต่ผู้หญิงต่ำข้าวกันตุกตับตุกตักผู้ชายไม่มีสักคนเดียวมีเด็กเล่นอยู่สองสามคนอีกเด็กก็มีลักษณะที่ว่านั่นแหละเขาว่านยาคูเป็นความเคารพยาคูยาซาหลวงตา นี่เป็นความเคารพของเขามาได้ยังไงเมื่อคืนนี้ก็ฝันกันมาเล่าสู่กันฟังอยู่นี่ฝันว่าพระท่านมาโปรดสามองค์เมื่อคืนนี้บ้านนั้นก็ฝันบ้านนี้ก็ฝันก็แปลกอยู่นะฝันว่ายาคูคือพระท่านมาโปรดสามองค์เมื่อคืนนี้ พูดกันจบเดี๋ยวนี้พวกผู้ชายเขาไปไร่นอกบริเวณนั้นเพิ่งไปตะกี้นี้ว่าพระมาโปรดสามองค์พอดีไปพวกนั้นเขาก็งงเขาว่าถ้าไม่พบบ้านนี้ต้องตายไม่มีทางอื่นทางใดนอกจากจะไปพบพวกนายพรานเขานะถ้าผู้มีแก่ใจ เขาก็จะพาย้อนกลับหลังไปย้อนทางไปสู่บ้านมานี้มันลึกพอแล้วนี่ข้ามเขาแต่เพียงลูกเดียวสองลูกเท่านั้นตายเลยเพราะแถวนี้ไม่มีบ้านเลยอยู่ในหุบเขาเราก็เลยได้กินข้าวกับเขาแล้วบอกเพื่อนฝูงด้วยว่าวันนี้เราอย่าพูดอะไรนะ จะมีคนตามส่งเรานะวันนี้เพราะมีเด็กมาเอาบริขารผมไปเราไม่ได้บอกเด็กเด็กมาขนบริขารไปเลยวันนี้คอยดูจะมีคนไปส่งเราอพอกินข้าวแล้วเขาบอกว่า พวกผมต้องไปส่งท่านถ้าไม่ไปส่งท่านก็าตายอีกเขาตามส่งย้อนหลังไปส่งใส่ทางเข้าหมู่บ้านนี่เรามันอัศจรรย์ที่ว่าอยู่ในหุบเขาลึกๆมันหลงไปได้ยังไงหลงไปในหุบเขาเท่าคาปั้นนี่นะภูเขานี่กว้างเท่าท้องฟ้ามหาสมุทรแล้วมันหลงไปได้ยังไงนี่ กัศจันยูเหมือนกันนะเวลาจะตายไม่ตายนะที่ว่าจะตายจะตายก็เพราะปีนเขาเขาพูดว่าไม่ใช่อะไรหรอกท่านปีนเขาลูกนี้ลงลูกนี้ขึ้นลูกนั้นกว่าจะถึงบ้านคนมันกี่สิบเขาท่านไปได้เพียงสองสามวันท่านก็แย่แล้วตายแล้ว นี่มาเจอพวกผมดีแล้วท่านไม่ตายแหละคราวนี้นี่เราเชื่อเวลาจำเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันหากบรนด o บรนดาลมิหนำซ้ำเทวบุตรเทวดายังบรรด o บันดาลให้เขาฝันทางโน้นว่า พระท่านมาโปรดสามองค์ทางนี้ก็ฝันว่าจะไปหาโยมโยมตามสม่งเราเลยฝังใจจนกระทั่งทุกวันนี้ภายในใจนี้เราเชื่อเชื่อในหัวใจเจ้าของเองว่าเปิดโล่งอยู่ตลอด นีละอำนาจแห่งการทำบุญให้ทานไม่อดอยากถึงเวลาจำเป็นหากมีผู้มาช่วยจนได้นั่นแหละหากมีฟังแต่ว่ามีเถอะอำนาจทานบันดนบันดาลให้มีผู้ใดผู้หนึ่งมีใจบุญเข้ามาช่วยสงเคราะห์สงหาเพราะอำนาจแห่งบุญของเรามีเป็นเครื่องดึงดูดกัน เร่งความเพียรเต็มกำลังที่บ้านนามนจังหวัดสกลนครเป็นพรรษาที่สองของการไปศึกษาอยู่กับท่านอาจารย์มั่นและนับเป็นพรรษาที่สิบของการบวชท่านเริ่มหักโห ม, มความเพียร มาตั้งแต่เดือนเมษายนก่อนเข้าพรรษาปีนี้หลังจากท่านอาจารย์มั่นเสร็จงานเผาศพหลวงปู่สาแล้วท่านก็ไปรับท่านอาจารย์มั่นมาด้วยกันและเดินทางจากพระาธาตุพนมเข้ามาอยู่บ้านนามน์แต่ในพรรษานี้ ท่านเร่งความเพียรอย่างเต็มเหนียวยิ่งกว่าธรรมดาหากโหมทั้งร่างกายและ จ, จิตใจกลางวันไม่นอนเลยเว้นแต่วันที่นั่งสมาธิตลอดรุ่งวันนั้นจึงจะยอมให้พักกลางวันถ้าวันไหนทำความเพียรธรรมดารรมดากลางวันท่านจะไม่ยอมพักเลย คืนที่นั่งสมาธิตลอดรุ่มนั้นท่านจะไม่ยอมให้มีการพลิกเปลี่ยนหรือขยับแข้งขาใดๆทั้งสิ้นเลยท่านเคยเล่าถึงความเจ็บปวดที่ได้รับยา ก, การนั่งตลอดคืนเช่นนั้นให้ฟังว่าเหมือนกับพ้นมันพองหมดกระดูกเหมือนจะแตกทุกข้อทุกท่อนกระดูกมันต่อกันตรงไหน หรือแม้แต่ข้อมือก็เหมือนมันจะขาดออกจากกันทุกเวทนาความเจ็บปวดเวลาขึ้นมันขึ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในร่างกายเลยการโหมความเพียรหลายต่อหลายครั้งเข้าเช่นนี้ทำให้ก้นของท่านถึงกับพองและ แตกเลอะเปื้อนใส่สบงเลยทีเดียวดังนี้หากวันไหนที่ ห, กหักโหมกันเต็มที่แล้วจิตไม่สามารถลงได้ง่ายๆวันนั้นมันแพ้ทางร่างกายมากบอบช้ำ ม, มากคือในเวลานั่งจะแสบค้นเหมือนถูกไฟเผาถึงขนาด ต้องได้นั่งพับเพียบฉันจังหันเลยทีเดียวแต่ถ้าวันไหนที่พิจารณาทุกขเวทนาติดปับ๊บติดปับ๊บเกาะติดปับ๊บติดปับ๊บวันนั้นแม้จะนั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งเหมือนกันก็าตามแต่กลับไม่มีอะไรชอกชำ้ำภายในร่างกายเลยพอลุกขึ้น ก็ไปเลยธรรมดาธรรมดาเหมือนกับว่าเรานั่งแค่สามสี่ชั่วโมงเป็นประจำตามความเคยชินนั้นเองความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการนั่งตลอดรุ่งนี้เกิดจากผลของการพิจารณาทุกขเวทนาในเรื่องนี้ท่านสอนพระเนรยางถึงใจดังนี้ อนที่เห็นความอัศจรรย์ก็เห็นตอนนั่งภาวนาตลอดรุ่งตั้งแต่เริ่มคืนแรกเลยพิจารณาทุกขเวทนาแหมมันทุกแสนสาหัสนะทีแรกก็ไม่นึกว่าจะนั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งนั่งไปนั่งไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นเกิดขึ้น พิจารณายังไงก็ไม่ได้เรื่องเอ๊ะมันยังไงกันนี่วะเอาวันนี้ตายก็ตายเลยตั้งสัจจะอธิษฐานในขณะนั้นเริ่มนั่งตั้งแต่แบบนี้ไปจนถึงสว่างถึงจะลุกเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเวลานั่ง ข้อไม่ให้มีข้อแม้ใดๆเช่นปวดหนักปวดเบาอยาถ่ายทายไปถ่ายไปแล้วเราจะล้างไม่ได้หรอล้างไม่ได้ยาอยู่ให้หนักศาสนาตายเสียดีกว่าเพราะฉะนั้นจึงไม่มีข้อแม้แต่มันก็ไม่เคยปวดถ่ายนะเรื่องปวดเบานี่ไม่มีล่ะเพราะชีวรมันเปียกหมด เปียกเหมือนเราซักผ้าจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาเปียกหมดตัวเลยเพราะมันจะตายมันไม่ใช่เนือนหลับภาษาภาคอีสานเขาเรียกอย่างตายอันนี้มันจะไปปวดเบาที่ตรงไหนเงื้อมันออกหมดส่วนการถ่ายหนักนั้นมันอาจเป็นได้แต่ที่ผ่านมานี้ มันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่หากเป็นขึ้นมาจริงๆก็เอาจริงๆนี่ขนาดนั้นจากนั้นก็ฟาดกันเลยทีเดียวจนกระทั่งจิตซึ่งไม่เคยพิจารณาปัญญายังไม่เคยออกแบบนั้นนะแต่พอเวลามันจนตรอกจนมุมจริงๆโอ๊ยปัญญามันไหวตัวทันเหตุการณ์ ทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งรู้เท่าทุกขเวทนารู้เท่ากายรู้เรื่องจิตต่างอันต่างจริงมันคลากกันลงอย่างหายเงียบเลยทั้งทั้งที่เราไม่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนเลยกายหายในความรู้สึก ทุกขเวทนาดับหมดเหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ไม่ใช่รู้เด่นๆชนิดคาดคาดหมายได้นะคือสักแต่ว่ารู้เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอัศจรรย์ที่สุดในขณะนั้นพอถอนขึ้นมาก็พิจารณาอีกแต่การพิจารณา เราจะเอาอุบายต่างๆที่เคยพิจารณาแล้วมาใช้ขณะนั้นไม่ได้ผลมันเป็นสัญญาอดีตไปเสียต้องผลิตขึ้นมาใหม่ให้ทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้นจิตก็ลงได้อีกคืนนั้นลงได้ถึงสามครั้งก็สว่างโอ้ยอัศจรรย์เจ้าของละสิ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 มันไม่ได้ตายถึงห้าหนนะ่ะมันตายหนเดียวเท่านั้นนะ่ะทีนี้ได้หลักแล้วเอาให้เต็มเหนียวนะว่าอย่างนั้นเลยเชียวท่านเอาหนักอธิบายให้ฟังจนเป็นที่พอใจเราก็เป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งพอท่านยอบ้างยุบบ้างหมาเราตัวโง่นี้ก็ทั้งจะกัด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 ก็นั่งตลอดรุ่งอีกจนกระทั่งจิตเกิดอัศจรรย์เข้าใจชัดเจนเรื่องความตายดังนี้เวลามันรู้จริงๆแล้วแยกธาตุแยกขันดูความเป็นความตายธาตุสี่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 แต่มันมีอุบายแบบเผ็ด ๆ, ๆร้อนๆแบบอัศจรรย์ทั้งนั้นจิตก็ยิ่งอัศจรรย์และกล้าหาญจนถึงขนาดที่ว่าเวลาจะตายจริงๆมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราอะทุกเวทนาทุกแง่ทุกมุมที่แสดงในวันนี้เป็นเวทนาที่สมบูรณ์แล้วเลยจากนี้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 มันปีนขึ้นไปแล้วก็ตกลงขึ้นไปแล้วก็ตกลงตกลงแต่คราวนี้พอปีนขึ้นไปก็ติดปั๊บร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เสื่อมมันรู้แล้วจึงได้เร่งเต็มที่เต็มฐาน